การทำมิปั ส, สนาแล้วจะได้ปัญญารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจไปนี่เรียกว่ามิปั ส, สนานะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของเขาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา น, นี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาอย่างโลกโลกก็เป็นอย่างหนึ่งปัญญาในการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งปัญญาในการปฏิบัติธรรมนี่คือการเห็นกายเห็นใจเขาเป็นไตรลักษ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 ก็เห็นว่ามันว่างๆภาพที่เห็นไม่มีอะไรออแล้วจิตมันก็เริ่มคิดลออแล้วแล้วก็กลับมาเห็นเป็นภาพอีกแล้วจิตก็เริ่มคิดอถูกออต้องเห็นไหมตามองเห็นอะไ <p. S 2> รตามองเห็นภาพภาษาแขกภาษาอภิธรรมเรียกตามองเห็นรูปเฉยๆแต่ไม่ใช่ตามองเห็นต้นไม้ตาไม่ได้มองเห็นอะไรตามองเห็นรูปดังนนตาก็มองแค่เห็นรูปเสร็จแล้วจิตมันคิด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 ก็เกิดโทสะขึ้นมานี่อากุศลเกิดแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ตรงที่กุศลอกุศลเกิดนี่เขาเรียกว่าชวนาจิตภาษาพิธรรมเรียกว่าชวนาจิตตรงชวนาจิตนี่เราก็มีสติรู้ทันอีกจิตเป็นอากุศลนะเราก็รู้ทันอีกมันขึ้นวิถีอันใหม่วิถีที่เป็นอากุศลจะดับไปเลยเกิดเป็นวิถีที่เป็นกุศลขึ้นมาแทนนะสติปัญญาทํางานขึ้นมาแทนอากุศลดับไปทันทีค่อยฝึกนะดีแล้วแก้วค่าเห็นร่องรอยตรงที่ตามองเห็นเนี่ย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 มันคือการทําสมะถะเหมือนกันจิตมันรวมนี่ตรงที่จิตรวมเนี่ยยังไม่ชํานาญนะเหมือนตกเหวหล่นวูบลงไปนะพอวูบลงไปกลัวมันเด้งขึ้นมาเลยไอ้เหอนั้นนี่คือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นั่นแหละธรรมะกลัวมากเลยเออกลัวเห็นไหมกลัวรู้ว่ากลัวไป <c oughs> แต่ต่อไปพอเราทําสมาธิชํานาญนะลงนิ่มๆลงนิ่มๆเหมือนนักบินหัดชํานาญแล้วลงนิ่ม นักบินไม่ชํานาญนะลงโครมโครมกระโดดเคยเจอไหมเลบินกระโดดได้ฝึกอย่างนั้นแหละโอเคคือ okay. รู้สึกว่าทั้งชีวิตมันจะมีโมหะรองพื้นอยู่ตลอดเวลาเออให้รู้ไปอย่าไปเกลียดมันมันอยู่ที่แบบจะมากจะน้อยเก๋ okay, ก็ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆไว้กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไว้แล้วเวลาปฏิบัตินะคะบางทีเกยไม่รู้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 เราเคยสะสมของเรามาอย่างนั้นจิตนี้อมีอนุใสจิตมีราคาใช่ไหมใช่เรียกราคาอนุใสเราต้องก็ดูไปน่าดีฉลาดนะจะถามให้เราจะต้องทำยังไงแล้วเบรกทันเบรกเนียนนะเชิญคือนุษทัศนกาิของพ่อไม่ได้มาสนาดตอนนี้บังคับอยู่นิดๆนะครับพอในชีวิตประจำวันก็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 เราภาวานาเนี่ยเพื่อวันหนึ่งใจของเราจะอิม่มเมื่อเรากินข้าวนะเรากินไปเรื่อยๆกินไปถึงจุดหนึ่งเราจะอิม่มร่างกายมันจะอิ่มเองเราภาวานานไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตเขาจะอิ่มเองอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเชิญไปกินข้าวนะให้อิ่มก่อนนะแล้วก็มาดูใจให้อิม่มนิมนต์ครับนิมนต์